คุณสมบัติของกัลยาณมิตรคนดีคนมีปัญญาคนมีคุณธรรมทางธรรมเรียกว่าสัตบุรุษตามบาลีเป็นคำว่าสัปปุริสัทจะเขียนอย่างลูกครึ่งเป็นสัตบุรุษหรือสัตบุรุษก็ได้สัตบุรุษนี้ ถ้ามาคู่กับอริยะท่านให้อริยะหมายถึงพระพุทธเจ้าสัตบุรุษหมายถึงพระปัจเจ้าพุทธเจ้าและตะถาคตสาวกหรือพระสาวกทั้งหลายหรือทั้งพระอริยะและสัตบุรุษมีความหมายเท่ากันก็ได้ถ้าสัตบุรุษมาลําพังก็หมายถึงพระพุทธเจ้าลงมาทั้งหมดคําว่าบัณฑิตก็ใช้ได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาคนดี ว่าโดยลักษณะเฉพาะตัวของเขาที่เรียกว่าเป็นสัตว์บรุษหรือบัณฑิตมีคุณสมบัติบางอย่างที่ควรทราบดังนี้สัตว์บรุษคือคนดีหรือคนที่แท้มีธรรมของสัตว์บรุษเรียกว่าสัพปริสธรรม7ประการคือ 1. ธรรมมัญยุตา 2. อ, อัถถัญยุตา 3. อัตตัญยุตา 4. มัตตัญยุตา 5. กาลัญยุตา ปริสันยุตาและเจ็ดปุขลันยุตาแต่ละข้อมีอธิบายดังนี้ 1. ธรรมัญยุตารู้หลักและรู้จักเหตุคือรู้หลักความจริงของธรรมชาติรู้หลักการกฎเกณฑ์แบบแผนหน้าที่ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำการได้สำเร็จผลตามความมุ่งหมายเช่นภิกษุรู้ว่า หลักธรรมที่ตนจะต้องศึกษาและปฏิบัติคืออะไรมีอะไรบ้างผู้ปกครองรู้ธรรมของผู้ปกครองคือรู้หลักการปกครอง 2. องัถยุตารู้ความมุ่งหมายและรู้จักผลคือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักธรรมหรือหลักการกฎเกณฑ์หน้าที่รู้ผลที่ประสงค์ของกิจที่จะกระทาเช่นพิะสุรู้ว่าทำที่ตนศึกษาและปฏิบัตินั้ น, น, น มีความหมายและความมุ่งหมายอย่างไรตลอดจนรู้จักประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือสาระของชีวิต 3. อัตตัญญุตารู้จักตนคือรู้ฐานะภาวะเพศกำลังความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นของตนตามเป็นจริงเพื่อประพฤติปฏิบัติได้เหมาะสมและให้เกิดผลดีเช่นภิกษุรู้ว่าตนมีศรัทธาศีล สุตะจาคะปัญญาและปฏิพานแค่ไหน 4. มัตตัญุตารู้จักประมาณคือรู้ความพอเหมาะพอดีเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารในการใช้จ่ายทรัพย์ภิกษุรู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่เป็นต้น 5. ากาลัญุตารู้จักการเช่นรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร รู้จักเวลาเรียนเวลาทำงานเวลาพักผ่อนเป็นต้น 6. ปริสันยุตารู้จักชุมชนคือรู้จักถิน่นรู้จักที่ชุมนุมและชุมชนรู้จักมารยาทระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีและข้อควรรู้ควรปฏิบัติต่อชุมชนนั้นนั้น 7. ปุคลันยุตารู้จักบุคคลคือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นเพื่อปฏิบัติต่อผู้นั้นโดยถูกต้องเช่นว่าควรจะครบหรือไม่จะเกี่ยวข้องจะใช้จะยกย่องจะตำหนิหรือจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรจึงจะได้ผลดีเป็นต้น